بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل صلاة وسلام ا ل على شرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بحسان اليوم الدين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ك ي ค و ت ك ي เ و ت พูถึง ك ุ ن سومباد ของ بولن เมืองใน رات الإسلام نن. ประการแรก كأو قام سطّة. บูปปฏิเสธศัทธาถ้าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ประกาศความเป็นศัตรูกับพรรดิอิสลามก็สามารถเป็นพลเมืองได้โดยจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เคยอธิบายก่อนท่านนี้แต่สําคัญที่สุดในเรื่องคุณสมบัติของพลเมืองอันนี้ในด้านรัฐศาสตร์อิสลามนะพวกเราต้องเข้าใจนะสําคัญที่สุดในคุณสมบัติของความเป็นศรัทธานี่คือความเลื่อมใส เลื่อมใสในอัลลอฮ์และรอสูลเรื่องนี้ไม่แปลกนะครับในรัฐศาสสากลเนี่ยรัฐศาสสากลเนี่ยเขาก็ระบุเรื่องนี้ตอนที่ผมได้เป็นกรรมการอิสลามประจมมัสยิดแห่งหนึ่งก็ได้ศึกษาเรื่องคุณสมบัติของคณะกรรมการอิสลามคณะกรรมการอิสลามมัสยิดคณะกรรมการอิสลามจังหวัด คณะกรรมอิสลามการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วคุณสมบัติของจุลาราชมุตรคุณสมบัตินะอันแรกเลยต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันนี้เลยคุณสมบัติแรกของอิหม่ามขอเตมบิลันกรรมการมัสยิดเนี่ยไม่ใช่ต้องเป็นมุสลิมหน้าต้องอักดีหนาต้องถูกต้องต้อง ตรงปฏิบัติเนี่ประการแรกเต้องเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตยนะแต่เราเข้าใจว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องมีความเลื่อมไม่ใช่ไม่ใช่ยอมรับอย่างเดียวนะต้องเลื่อมใสผมก็มานั่งคิดในใจแล้วแล้วทางรัฐนี่เขาจะพิสูจน์ยังไงว่อิมัลเลื่อมใสหรือไม่เลื่อมใสมันมีเครื่องมือวัดจะรู้ยังไงว่าเขาเลื่อมใสไม่เลื่อมใสเนี่ยทุกวันนี้นี่ที่วุ่นวายนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละ แต่ฟังไหนประชาชนที่ปตายฝังไหนไม่ใช่เนี่ยพิสูจ น, น์กันเยนเกียรมัดนะไม่มีใครรู้หรอกว่าใครเป็นฝ่ายประชาชิายยาที่ปตยเองแท้จริงเพราะทุกคนก็อ้างว่าตัวเองอตัวเองสนับสนุนระบบการปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกต้องแต่คุณสมบัติของ <c oughs> ของผู้สถานีความเลี่ยงใจในอัลลอฮ์และ رسول เนี่ย ไม่มีสิ่งใดที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ในโลกดุญญนียานี้นอกจากการปฏิบัติที่เป็นข้อบังคับอย่างเดียวเลยเรื่องอื่นเขาละหมาดเขาสแสดงเขาไม่เขาไม่เลื่อมใสจริงอันนี้เราไม่สามารถไม่สามารถพิสูจน์และไม่สามารถปักปั๊มเขาได้แต่มันจะมีผลในวันเกีย่ยรมั้ยวัน สารในวันเกียรม่านนี่ไม่เหมือนสารในโลกสารในโลกนี่เจ้าหน้าที่นี่เป็นมนุษย์ไม่มีเครื่องมือพิสูจน์อะไรที่อยู่ในหัวใจแต่สารในวันเกียร์ม่านนี่อันนี้พิสูจน์หมดเลยอันนี้เข้าใจเรื่องเรื่องนี้ให้ดีนะแล้วคุณสมบัติของความเป็นศรัทธานี่มันเป็นประโยชน์สําหรับเราทุกคนที่ต้องการพิสูจน์ตัวเองเพราะผลลัพธ์ และการตอบแทนต่างๆที่อัลลอฮฺสุภานะอัตตาละได้ระบุไว้จะเป็นผลประโยชน์ที่ได้ในโลกนี้ที่อัลลอฮผูกมัดไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาหรือผลตอบแทนในโลกหน้าที่อัลลอได้ให้ไว้สำหรับผู้ศรัทธาอย่างเดียวมันก็จะชวนให้เราได้ตรวจสอบตัวเองว่าเราใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือเปล่า เช่นอายะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอายะที่สอาหสบอที่กว่านัลลอฮฟัลยะตวกลลมุมินนอันีรไปแล้วนะแต่ทยอายะเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับอายะหลายอายะถัดไปก็มาที่ไสาอีกนิดหนึ่งทายอายนี้วัลลอฮฟัลยะตวกลลมุมินนแด่อัลลอฮมุมินทั้งหลายที่จริงแดอัล ขอลลอมุ่งมาที่คำว่าวะะละละลอฮิมันอยู่ในตําแหน่งประธานซึ่งมันน่าจะอยู่ที่หลังแต่ทําไมเอามาอยู่ต้นประโยคเพื่อเจาะจงอุลามาเรียกกันเรียตักซีสวะะละลอฮิมันก็ต้องอธิบายว่าแด่ a ล l a h เท่านั้น มุหมินทั้งหลายจงมอบหมายจงตะวะกรุณาเท่านั้นไม่มีผู้อื่นที่มุหมินเนี่ยจะมอบหมายจะตะวะกรุนเนี่ยนอกจากลรโชกสุภานอกคนที่เป็นมุมินนี่คนที่อ้างว่าเป็นมุมินและอยากจะเป็นมุหมินและเลื่อมใสในในใ น, ในความศรัทธานี่นะเขาจะพยายามที่จะปฏิบัติเรื่องนี้ให้ดีที่สุดในเมื่อเขาเป็นมุมินแล้วแล้วอับบอกว่า แดีอัลลอฮ์เท่านั้นผู้ศรัทธานี่ต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์เขาก็จะคิดมุมินก็จะคิดเนี่ยจะฉันมอบหมายจริงหรือเปล่าและมีขาดอะไรที่จะทําให้ฉันเนี่ยเป็นเป็นผู้มอบหมายที่แท้จริงมันมันเป็นการคิดบัญชีของตัวเองด้วยตัวเองเพราะพรคุณสมบัติของความเป็นมุมมินเนี่ยี่ประโยชน์ของมันนี่คือมันจะเชิญชวนให้เราได้ตรวจสอบตัวเองแต่คนนี้แอบอ้างอีมาอย่างพวกมูนาฟิกนะอย่างนี้ เขาจะไม่แคร์ไม่ให้ความสำคัญไม่ให้คะแนนในชีวิตเลยก็เหมือนข้อปฏิบัติต่ า, างๆแต่ผู้ศรัทธา य, ได้ยินคา ส, าสั่งใช้ต่างๆก็จะใส่ใจนี่คสั่งใช้สำหรับมูนาฟิกนี่ก็จะไม่ใส่ใจอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้พูดถึงเราและถ้ามีความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติก็ปฏิบัติโดยไม่ตั้งใจหรือไม่เต็มใจนี่ การมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยอลุลลามะบางท่านอย่างอับดุลกัยมเขาถือว่าเป็นที่สุดที่สุดของอีมานแ ต, แต่ต้องเป็นการมอบหมายที่แท้จริงนะแล้วการมอบหมายที่แท้จริงนะคือไม่เห็นอำนาจใดๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงที่สามารถมีอิทธิพลมามาแทรกแซงหรือมาทามาเปลี่ยนอะไรในชีวิตของเรานอกจากอำนาจของอัลลอ์นี่คือที่สุด ของอีมานเมื่อเราได้เห็นอำนาจใดๆอื่นจากอัลลอ์นี่มีอิทธิพลในชีวิตเนี่ยจะมากจะน้อยแค่ไหนนี่นะ إ ي م านและกาตะวกุลนี่มันก็จะลดเท่านั้นอำนาจของคนผู้ใหญ่ในในสังคมในชีวิตของเราเจ้านายของเราผู้ปกครองถ้าเราเห็นว่าอำนาจของเขานี่มีเหมือนกัน สามารถที่จะทำให้เราแย่และเชื่อว่าถึงอัลลอ์จะช่วยเราก็แย่ซึ่งมุสลิมบางคนก็อาจจะมีเรื่องนี้การมอบหมายนี่อิามมุลม้อกว่ามันเป็นอามลเป็นการงานของหัวใจและเรื่องนี้เนี่ยมุสลิมจำนวนไม่น้อยที่ไม่เข้าใจว่า เรื่องนี้ผมก็เคยอธิบายแล้วนะการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติด้วยเอาไว้เอาแองเดียวไม่มีส่วนของหัวใจที่เป็นข้อปฏิบัติหนึ่งในนั้นน่ะก็คือความรักต่อหล่อนี่เป็นการปฏิบัติหัวใจนี่ต้องปฏิบัติเรื่องนี้แต่ว่ากุลนี่ก็เป็นการมอบหมายนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติของหัวใจอิมามทูลขอยิมมองว่ามันเป็นที่สุดที่สุดของอ ي มาน มอบหมายในยามรับขันที่มีอำนาจอื่นๆนเข้ามาแทรกแซงชีวิตของผู้ศรัทธาอย่างที่สงครามตะบูกเนี่ยกองทัพของในวีซีหมื่นกองทัพของโรมเนี่ยสองแสนกี่เท่าละ่ะหลายเท่าเนี่ยดยสัญชาตญาณของมนุษย์นี่นะ่ก็จะคำนวณตามความเป็นไปได้อะ่ะ อิทธิพลของสิ่งที่เขาคำนวณไว้เนี่ยมันก็จะเข้ามาแทรกแซงเรื่องความเชื่อมัน่นความเชื่อมั่นในคําสัญญามั่นของลอสผานองการเป็นบททดสอบสองครามตะบุกจึงเป็นบททดสอบสําหรับสำหรับมุสลิมซ้ำเติมก่อนสองครามตาบุกนี่นบีเพิ่งเคลียเรื่องอยูเนี่ยยูที่เป็นศัตรูภายในในมาจนเนี่ยเคลีย เคียแต่ก็ยังยังยังไม่สนิทเคลียเฉพาะรอบรอบมัดีนะาเบาอยู่ที่อยู่รอบรอบมัดีนะาแต่ที่อยู่พื้นที่อื่นๆเนี่ยนูนน่นนะตั้งแต่สมัยอุมมารุมนุนเขาตอบนีเริ่มขับไล่ละเพราะที่เขาตั้ ง, ต, งตั้งเป็นเป็นซุ้มเป็นเป็นกลุ่มก้อนที่สร้างอุบายอย่างอย่างต่อเนื่องต่อรัฐอิสลามยุคอมุมมรนี่ประมาณสิบปีหลังจากที่นบีเสียชีวิตเนี่ยถึงได้เคลีย แต่นบีได้เคลียเฉพาะในรอบรอบมดีนาเนี่ยแต่สิ่งที่ยังไม่ได้เคลียและปรากฏว่ามันเป็นอุปสรรคและก็เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในช่วงนั้นน่ยก็คือมุนาฟิกีนนั่นแหะสิ่งที่ท้าทายที่สุดท้าทายที่สุดโดยเฉพาะกับตัวท่านนบีที่พยายามคิดในแง่ดีกับบรรดามุนาฟิกีนทั้งหลายอับดุลลาบบินอุบัยบินอิสลู สาบ้านในสวนมากนี่เห็นชัดแล้วความเป็นมุนาวิของเขาแต่นบ ي พยายามตีมนบีพยายามที่จะคิดในแง่ที่ดีที่สุดถึงกันาบที่เสียชีวิตแล้วนบีนบีก็ยังละามาจนอาณาจักรเขาเพราะมาุมนุนเขาตอบนี่คัดค้านคัดค้านและท่านไม่เกรงกลัวว่าเออนี่มันนี่มันจะเสียมรยยาต่อสาบ้านหรือเปล่าแต่มัน ดูมันชัดชัดมากเลยถึงขนาดค้านต่อหน้าสหบาตรีนขณะที่ทากาลังจะทำละหมาดยันนะซะนบีก็ละหมาดยันนะซะละหลังจากนั้นนะก็อัลลประทานอายะลงมาที่ห้ามละหมาดิมร์เลาท ص ا ام, ام ل, د د ل ا على أحد منهم من ما ب, و و ب د و لا تقوم على قبر هني ในสุรุตาวะมังก์สิ่งใดทั้งหลายนี่แหละที่จะทาให้ผู้สถานิอยู่ระหว่างการทดสอบที่ ค่อนข้างรุนแรงและทุกบททดสอบในชีวิตของเรามันจะเป็นการทดสอบเรื่องเรื่องความศรัทธาและการมอบหมายต่อเราก่อนหน้านี้นี่นบีละสาบถูกทดสอบในสงครามอัลขันดักสงครามสนามเพราะที่มีศัตรูจากกูเรชนี่มาล้อมมัดีนาจากภายนอกแต่ภายในนี่มีทั้งยิวและกัมุนาฟิกีในยูหังในมัดีนาขณะที่อัลลอฮฺได้อธิบาย บ่ต้อบเนวัฏุลซิลูหสรัลบเนี่ยราชัีบางมีบางสุราเนี่ยคะชัพา์ชัพหบตสองชอบกิดขึ้นในสงครามนั้นน่ะสุรัตละบชสงครามขัวุลซิลูซิลซาลนชัดดีผู้สั์ได้ปรสบเสมือนแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดพราเราไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเนาะมีใครเจอเจอแต่น้ำท่วมนะ ไมไอ้ที่บ้านนะไอ้ที่บ้านเรานี่อะไรกันเลยอัฟเตชอัฟเตชก็แบบนิ่มๆบ้านะนะแผ่นดินไหวนี่ยืนไม่ได้อะ่ะยืนไม่ได้เห็นบ้านข้างๆนี่กันเลยผมก็ไม่เจอนะแต่ผมเจอแผ่นดินไหวที่ที่อียิปป์อันนั้นน่ะบ้านมันเอียงแล้วก็คนก็วุ่นวายอะ่ะยืนไม่ได้ยืนบน บนดินไม่ได้มันจะมันจะหวั่นไหวถ้าถ้าถ้าเป็นแผ่นดินหวอย่างที่ตุรกีเนี่ยอันนั้นก็อนน่ะกียรมัดเลยตัวใครตัวมันเลยบททดสอบนี้มันจะตัวสอบเรื่องอีมานและการมอบหมายในเรื่องเนี่ยใครจะช่วยล่ะเพราะอยู่ในสภาพที่แย่มากต้องทำสงคราม ยามภาคฤดูร้อนช่วงที่ก็ลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและนบีบอกว่าไม่เก็บไม่เกี่ยวนี่ไปนี่ไปทิห้าเลยพุทธศพไม่ธรรมดาสหายบาเนจึงให้ฉายากับสุรตะวานอลมุเซลซิลเป็นสุรที่สร้างแผ่นดินไหวสร้างขยายสังคมพลิกสังคมให้เห็นอะไรที่อยู่ข้างในอยู่ข้างล่าง มาให้มันขึ้นมาเห็นข้างบนพวกมมนาฟิกีนพวกที่ไม่เลื่อมใสในอัลลอฮ์ละระซูลนี่พอเจอเจอไม้นี่แล้วก็อะไรที่มันอยู่ข้างในนี่มันออกมาเลยก็เลยออกมาส่วนหนึ่งในบททดสอบนี้ก็คือการที่พบศัตรูที่ตัวจริงนะศัตรูที่ไม่ใช่มุนาฟิกนะโมนาฟิกนี่ยังไม่ได้กว่าเป็นศัตรูเพราะเขายังยังแสดงออกความเป็นมุสลิมแต่อีกบททดสอบหนึ่งที่สําคัญที่สุดนี่ ก็คือศัตรูที่ต้องไปสู้รบซึ่งตอนนั้นนะก็จะมีทั้งของโรมันนะ่นะที่มีข่าวว่าเขาเตรียมแล้วกองทัพเป็นแสนแล้วก็มีศัตรูที่เป็นชาวอาหรับที่ยังไม่ได้รับอิสลามสงครามตะบุกนี้หลังพิชิตมา ก, การแล้วเรียบร้อยแล้ว คาบสมุทรอาหรับี้ทั้งหมดได้ยอมรับแล้วในอำนาจของท่านนบีเรียบร้อยแล้วอย่างที่เคยอธิบายแต่ก็ยังมีบางกลุ่มบางกองของอาหรับนี่ยังไม่ได้รับอิสลามเขาก็ยังนึกว่านี่คือโอกาสที่อำนาจยิ่งใหญ่ตอนนั้นนะ่ะก็คือโรมันจะสามารถขจัดการเติบโตของท่านนบีสุลึบ่ บ, บ, บน มันเป็นเรื่องที่ประชาชิอิสลามเจอมาบ่อยครั้งเจอมาเยอะเวลามลิมอยู่ร่วมกันใครๆที่เป็นศัตรูของอิสลามเนี่ยมุสลิมจะต้องไม่มีความคิดแม้แต่น้อยไม่มีความคิดแม้แต่น้อยที่จะให้ศัตรูอิสลามเนี่ยจะมาในไม้ไหนรูปแบบไหนกระดามเนี่ยที่จะมาขจัด พี่น้องมุสลิมด้วยกันมุสลิมคิดไม่ได้เชื่อไม่ได้ปรารถนาไม่ได้เพราะถ้าเชื่อแล้วลปรารถนาแบบนี้แล้วก็แสดงว่าต้องการให้ผู้ปฏิเสธศรัทธานี่ได้กำจัดผู้ศรัทธาในยุคจักรวรรดินิยมประเทศมหาอำนาจอย่างฝรั่รงเศสอังกฤษบรูตเ ก, กสเปนฮอลแลนด์ เราเข้าใจกันว่าประเทศมหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นประเทศครีซเป็นประเทศที่เชื่อในเชื่อในโครเซต์มากงึงเขนเอาจึงเรียกว่าช่วงจกวักรวรรดินิยมมันเป็นสงครามโครเซต ร, รอบที่สองรอบแรกนีนะช่วงช่วง700ปีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยรอบถัดมานี่ก็คือช่วงจกวักรวรรดินิยมฮอลแลนด์เนี่ยมานี่และแวกนี่นะ วนกมลยูเนี่ยยึดไปหมดเลโดนีเซียอังกฤษนี่อินเดียอินเดียทั้งหมดเนี่ยมารวมถึงปากีมังกลาเทศพม่าทั้งหมดเนี่ยตะกอนนู้นแหะอังกฤษรวมถึงอิรักอิรันไปถึงปาเลสไตน์ซีเรียในฝรั่งเศสซีเรียเลบานอนในฝรั่งเศสแอฟริกานี่แบ่งกันอย่างกับแบ่งเค้กเลยอ่ะกฝรั่งเศส กิตาลีฮอลิบียนิดๆกอสูมาเลียหน่อยยารมันนะยังมีเลยข้าไปบางเคกในแอฟริกาเข้าเราเข้าใจกันในประวัติศาสตร์ในภาพรวมมานะว่านี่คือประเทศที่ไม่ช่วยได้มุสลิมประเทศคริสเนี่ยแต่หารู้ไหมแต่ละสงครามที่เขาเข้ามายึดประเทศมุสลิมเนี่ยแต่ละประเทศมุสลิมมนะ แม่ทัพเนี่ยใช่เป็นคริสตแม่ทัพเนี่ยไม่ใช่มุสลิมแต่กองทัพเนี่ยมากกว่าห้าสบเปเนี่ยเป็นมุสลิมกองทัพของอังกฤษที่ประยุทอียิปต์มากกว่าครึ่งหนึ่งอินเดียแลเป็นมุสลิมแม้กระทั่งแถวนี้กองทัพที่ ยี่จังหวัดก็มีมีทั้งแม่ทัมีกองทัพมุสลิมก็ไม่น้อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มานั่งคิดนะครับว่าถ้ามาตรฐานสมยัยท่านมนีโซโลโลอะไรก็เสริมมุสลิมเนี่ยไปสมัครกับทหารของศัตรูจะได้มาตีมุสลิมด้วยกันนะนะตกศาสนาเรียกงของมุสลิมไม่ได้ คุณสมบัติของความเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้อัลจีเรียเนี่ยรัะเทศเจาอิร์นีพอลุกกันต่อสู้ทหารฝรั่งเศสเพื่อเรียกเอกราชแล้วก็รัฐทหารฝรั่งเศสเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอะที่ไปปราบมุจาฮิดีนที่อัลจีเรียเนี่ยก็เป็นคนอัลจีเรียนันเองแล้วก็มีส่วนนึงจะทหารอินเดียที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีอนุสวรี์ที่ฝรั่งเศสเนี่ย เทิดเกียรติทหารฝรั่งเศสซึ่งมีเชื้ออาลจิเรียก็คือคนมุสลิมมาลัตที่แปลกนะว่าคนอาลจิเรียนี่น่ยเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาถูกชวนให้เปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์อ้าอลจิเรียนี่ก็บอกว่าแมชชีนอรีนี่ไปพร้อมทหารฝรั่งเศสเลยไอ้ทหารฝรั่งเศสนี่ก็ยึดไอ้แมชชีนอรีนี่ก็ดาว่า ให้ดึงเอาเผยแพ่ให้ให้คนเข้าศาสนาคไม่ประสบควาสมสาเร็จเราก็อยู่ฝรั่งเศสอยู่阿尔จิเรเนี่ยร้อยกว่าปียึดครองร้อยกว่าปีประมาณร้อยสสิบปีผ่านไปแล้วนี่ยร้อยปีนะโรงเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยไปก่อตั้งที่阿尔จิเรเนี่ยฉลองครบหนึ่งปีก็เลยเอานักเรียนผู้หญิง ชาว阿ลจิเรียนที่เรียนที่เรียนในหลักสูตรของฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสเรียนดนตรีเรียน เ, เรียนศิลปะการเต้นเหมือนชาวฝรั่งเศสแต่งตัวเหมือนาจาจัดงานใหญ่โตอลังการจะได้และเชิญชวนคนจากทั่วโลกจะได้เห็นผลงานของอรารยธรรมฝรั่งเศสที่ได้ทำในประเทศ阿尔จ ปรากฏวผู้หญิงนี่ออกขึ้นเวทีนี่คู่มีจ่ามกันนั้งนั่งคู่มีจ่ามกันนั่งนั่งพวกผหลักผู้ใหญ่ที่มาจากฝรังศศศศศศศ่งเศสได้มามาดูมาชมผลงานนะั่นนะเขาบอกว่าวเราจะทํายังไงก็ไม่ชนะเข า, าไม่มีทางในรัสภาที่อังกฤษเนี่ยถึงขณะที่ผู้แทตรัฐคนหนึ่งได้พูดช่วงนั้นนะ่ะกําลังมีการ ปฏิวัตในประเทศมุสลิมเพื่อเรียกเอกราชเรียกร้องเอกราชของประเทศมุสลิมเขาบางอาจกล่าพูดนะบอกว่าเราไม่สามารถชนะมุสลิมในประเทศต่างๆที่เป็นเมืองขึ้นของเราเนี่ยนอกจากว่าต้องขจัดต้องต่อสู้กับกุรานที่อยู่ในหัวใจของเขาการที่เขารักนบีการที่เขายึดมั่นในหลักการศาสนานี้เนี่ยเราต้องต้องลบล้างจากหัวใจของมุสลิม แต่เรจะบอกว่าถ้าใช้บริบทสมัยท่านนาบีสลต่านละวะอิสลาลัมคนที่สละตัวออกจากฝั่งของมุสลิมเนี่ยไปอยู่กับฝั่งของศัตรูแล้วก็มาเข็นฆ่ามุสลิมมานะตกศาสนาในบริบทนั้นน่นนะนสมัยท่านนาบีแต่ในบริบทที่เราเห็นว่าอิสลามเนี่ยถูกละเลยในเรื่องการเผยพแพร่หลักการโดยเฉพาะ หลักการนี้ความเชื่อมัน่นแลกัเรื่องวะ ล, ละแล้วก็บบรอนี่วะละบารอนนี่ก็หมายถึงว่าการที่จะรู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูที่แท้จริงห ล, ลักการนี้มีพูดในกุตอันเยอะมากเรื่องนี้เนี่ยมันมันถูกละเลยมาหลายยุคหลายสมยัยผูมุสลิมเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องนี้มุสลิมในประเทศมุสลิมนะพูดถึงประเดศมุสลิมนะ จะให้ดีนะไอ้มเสมีคนต่อต้านต่อต้านกระบวนการผแพร่อิสลามผู้รู้ที่ต้องการฟื้นฟูอิสลามคนที่เข่งคัดแล้วก็มัลลมาที่มัสซิดโดยเฉพาะมัลามสุบีมาฟังบรรยายกันเนี่ยนี้จะมีกระบวนการด้านความมั่นคงที่จะต่อต้านเลยนะต่อต้านชัดเลยนะไอ้นี่ คือเขาจะห้ามเลยนี่มันไม่ได้ห้ามเลยนี่มันมั น, ม, นมันแย่เกินไปแต่เขาจะพยายามที่จะควบคุมหนึ่งในรูปแบบของกันควบคุมเนี่ยก็ต้องมีสายลับสายลับส่งสายลับแต่คนที่อยู่ในมัสยิดเนี่ยที่เขามาละหมาดมาฟังบัญญาตินี่ยเขาจะรู้เลยว่าไอ้คนที่มาเนี่ยมาเรียนรู้จริงๆริงมาละหมาดจริ ง, รงๆเขารู้และสายลับนี่จะรู้ ท่าทางของสายรับนิมเป็นยังไงเรื่องแรกนี่ก็คือเวลาละหมาดโดยเฉพาะเวลาละหมาด ต, ตราวีรู้เลยสายรับท่าทางเขาเป็นยังไงเขาไม่เคยละหมาดไงเพราะกลุมพวกนี้เขาไม่ละหมาดไงไม่ละหมาดคือถ้าเขาเพ่งเล็งไขว่าเขาขิ่งเกินไปแล้วก็จะเป็นปัญหานี่นะเขาเรียกให้ แบบศสนาคติเลยนะแบบศสนาคติไม่ใชไม่ใช่แบบบ้านเรานะไม่ใช่แบบที่นี่นะแบบศาสนาคตินี้ก็คือลืมเลยความเป็นมุสลิมเนี่ยลืมเลยเฮ้ยเอ็งยังละมาอยู่เหรอละมาเนี่เป็นเรื่องนะเออผมไม่ละมาแล้วครับผมไม่ละมาแล้วครับแล้วพอปล่อยแล้วเนี่ยต้องมีสายลับเนี่ยไปตัวสอบดูว่าเขายังละมาที่มัสยิดหรือเปล่าสองเฮ้ยทําไมไม่มีเพื่อนผู้หญิงวะ ทำไมไม่มีแฟนเฮ้ทำไมไม่สุบรีเพราะอะไรบางคนนี่เข่งศาสนานี่ไม่สุบรีไม่มีแฟนละหมาดเข่งแัดตรงเวลาถ้ามีของพวกนี้เนี่ยแสดงว่านี่มีโอกาสที่จะเป็นผู้ก่อการรา้แล้วจะยังไงอะ่ะจะได้ไม่เป็นผู้ก่อการราน้นี่ก็ต้องมีแฟนผู้หญิงต้องให้สุบรีต้องไม่ละหมาดโดยเฉพาะละหมาดซุบีนี่ละหมาดซุบีนี่เป็นข้อข้อหาเลยเนี่ยคนที่ละหมาดซุบีในบางประเทศนะ เป็นข้อหาเลยพราเวลาสายลับนี่มานี่คนนิ้ลมามเนี่ยเขาจะรู้สึกมันไม่พวกเราคือไม่น่าไม่ใช่พวกเราแน่นอนแต่มันจะมีความรู้สึกเลไรเขาเป็นมุสลิมบ้างและมีอยู่ยุคหนึ่งที่นเซเรเนี่ยขจัดกลุ่มอิควานที่อิบเีคนที่ลงมือซ้อมทรมานอิควานในในในเรื่องจำมานนะ มันก็เกิดกลุ่มหนึ่งที่เขาเห็นว่าเป็นเป็น้ไงไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาต่อต้านเราเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำลายอะไรรัฐอะไรเนี่ยเราแค่เผยแพร่ อ, อิสลามอย่างเดียวเขาก็เลยมองว่าการที่เอาเยาวชนเนี่ยมาติดคุกแบบนี้มาต่อต้านผู้รู้แบบนี้นี่ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ศรัทธาคนที่ต่อต้านกระบวนการการทํางานศาสนาเนี่ย จะต้องเป็นคนที่เกลียดอิสลามแล้วคนนี้เกลียดอิสลามเนี่ยไม่น่าจะเป็นมุสลิมมีความเข้าใจของกลุ่มหนึง่งผู้นําของเขาเนี่ยก็คือเศษกุตบเศษกุตเจ้าของผู้เขียนผู้ประพันธ์หนังสือฟิซีลาลัลกุบานเศษกุบโดนข้อหาว่าเป็นตะฟีรเนี่ยเป็นคนที่กล่าวหาผู้อื่นว่าเป็นกาเฟตในเรื่องนี้เพราะเศษกุบมีมีหลาย หลายประเด็นใ น, ในหนังสือฟิลสเตอร์ขุนอ่านเนี่ยที่ได้วิจารณ์สถานการณ์ในยุคนั้นในยุคที่แกอยู่นะสมัยนเซอร์ซึ่งสมัยนัซเซอร์นี่สมัยนัซเซอร์นี่ในประเทศอีบิปต์ในประเทศ น, นะผู้หญิงที่คุมฮิ j a ะคุมหัวเนี่ยแล้วไม่ใช่ฮิ j า b แบบฮิ j า b ที่ถูกต้องเต็มที่นะฮิ jab นี่คุมหัวคุมหัวแล้วก็จะใส่แล้วก็จะใส่เสืออเ้อคนรอะไรเป็นเป็นเสื้อกันหนาว่เนะ ยาวๆคนเดียวในประเทศมีตะกอนนั้นไม่มีฮิ j า b เลยยุนาเซอร์นี่ยุนาเซอร์นีสส่มันเหมือนสมัยอะตะัตเตอร์กที่ตุรกีอ่่มีใส่หมวกนี่ผิดกฎหม า, ายใส่หมวกนี่เป็นกฎหม า, ายใส่ฮิ j า b นี่ผิดกฎหมายคนตุรกีที่เข่งเนี่นนยใส่หมวกในบ้านมุสลิมจะใส่ฮิ j า b ในบ้านจะได้ไม่ลืม ไม่ลืมหน้าที่สมัยนักเซิร์นี่คนที่คุมมีจับนีคนเดียวชื่ออามีนะกุดพี่สาวของเซิดกุดเซิดกุดเนี่ยเขามองว่าอิสลามนี่มันถูกขจัดจากสังคมเลยและก็ขบวนการดาวอิสลามก็ถูกต่อต้านอย่างสิ้นเชิงเขาเลยมองว่าถ้ารักแบบนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐอิสลาม จึนเป็นที่ไปที่มาของเรียกว่ากลุ่มหรือเรียกว่าขบวนการของกุตบียะ ah. อัลกุตบียะ ah เนก็คือกลุ่มที่เขาอ่านหนังสือของศาสตรโดยเฉพาะหนังสือมาอาเรมเฟตตอรีเกเนี่ยเป็นหนังสือที่ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของสังคมมุสลิมคุณสมบัติของมุสลิมซึ่งจะมีความสุดโต่งระดับหนึ่ง อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็มีผู้รู้แม่กระตั่งในกลุ่มอิควานเนี่ยก็ได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วก็แล้วก็ให้ความเห็นว่าแนวทางของเซนคุ๊เนี่ยก็มีความสุดต่งระดับนึงมีบางคนมีผู้รู้บางท่านเนี่ยที่จะบอกว่าเซนคุดถูกเข้าใจคาดเคลื่อนคนที่อ่านหนังสือเซนคุ๊เนี่ยไม่หวังดีกับเซนคุ๊เนี่ยก็เลยตั้งข้อหาว่าเขาเขายึดมาตรฐาน เข้ ม, มวดเกี่ยวกับคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมจึงกล่าวหาคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะรัดทีดต่อต้านกระบวนการของอิควานนี่ว่าไม่ใช่มุสลิมนั่นน่ะคาดเคลื่อนชาคนไม่มีความคิดแบบนี้มีผู้รู้ที่เขาที่เขาตีความแบบนี้แต่บาดที่เสดไม่ได้นะครับว่าผู้รู้ที่เขาศึกษาเรื่องนี้แล้วก็อยู่ในีในกลุ่มอิควานแล้วก็มีอิทธิพลในดะ้านความคิดอย่างยูซุฟอัลกอร์ด اوي เขายืนยันเลยนะว่าเส้นคตรเนี่ยมีสุดโตง่งมีครอบสุดต่งแน่นอนแล้วก็เขาพยายามเตือนให้เขาไม่ได้ห้ามอ่านหนังสือของเสรนคตรนะแต่เขาบอกว่าให้อ่านแบบประมาดระวังซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ที่ก็ที่ถูกต้องเหมือนกันเพราะพราหนังสือของเส้นคตรเนี่ยอุลมาหลายท่านเขาบอกว่าถูกเขียนถูกประพันธ์ด้วยบรรยากาศ บรรยากาศเคร่งเครียดเครียดหนังสือหลายเล่มหนีเขียนในคุกเซอร์โค้ดไม่มีปัญหามีปัญหาโรคตับโรคไตหัวใจอยเยอมากแต่ก็ถูกจําคุกหนีเป็นสิบสิบปีดูก็เข้าแล้วก็ออกดูก็เข้าแล้วก็ออกหนังสือหลายเล่มหนีเขียนในเขียนในคุกอย่างเดียวแล้วนเสือ้อเนี่นคยคยเสนอให้ขอเข้ามาต่อนเสื้อ ขอเข้ามาว่าเขาผิดพลาดแล้วเขาขอขอโทษที่ที่ได้ขาดเ่อนแล้วก็ผิดผิดหลังจากที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยให้เขียนคำขอโทษแล้วก็อันเซอร์นี่จะจะมีอภัยโทษให้เขาก็ไม่ยอมตอนนั้นก็มีเซียงเิมบาสแล้วก็มีอุลามาหลายคนทั่วโลกนี่ก็ก็ อย่างที่บ้าเราก็เรียกกันนะแต่วัดีกาเนี่เขียนจดหมายถึงนัสเซอร์เลยขคาะร้องเหยียดประหารชีวิตเซตคุดนัสเซอร์ก็ไม่ฟังแต่นี่ให้เห็นว่านัสเซอได้เห็นอิทธิพลของหนังสือหรือจุดยืนของเซตคุตเซตคุตถูกประหารชีวิตแต่หนังสือของเขานี่ก็ยังถูกพิมพ์แค่สีล ال ال ่อัลกุรอานอย่างเดียล่ัลกุรอานอย่างนึงถูกพิมพ์ไม่รู้เป็นสิบสิบครั้ง เป็นเป็นหนังสือตปเสียที ن ن ن ن ن ่มีชื่อเสียงที่ดังที่สุดทัจ็ตปเสียบในกระซิบแต่หนังสือต่างๆของเขานี่ก็มีอิทธิพลกับบรรดานักนักเคลื่อนไหวทั่วโลกในทุกแนวคิดเศรนฐกินี่ยก็จะเป็นคือเขาเป็นคนอัจฉริยะที่มีที่มีความสามารถในการที่จะขยายความในอกุรอานและฮะดีษของท่านนมิซูลอละละอิอุสเซลลามิงเดชอันนี้ผมได้พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะมัน พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของความเป็นมุสลิมโดยเฉพาะท่ามกลางเวลาที่มีสงครามและก็มีการแบ่งฝ่ายแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนนะเราจะมองอีกฝ่ายอีกฝังก่งนึ่งว่าเป็นศัตรูแต่ต้องระมัดระวังว่าบางทีเนี่ยการต่อสู้การปะทะระหว่างอิสลามแล้วก็บมัชชีอิสลามบางที่เนี่ ย, รร ม, ม, ม, ยมันไม่ได้ชัดเหมือนสมัยท่านนาบีสมัยท่านนาบีนี่ กองทัพของมุสลิมนี่กองทัพของกาเฟสเนี่ยนแม้กระทั่งในสงครามที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็มีมุสลิมที่เป็นแม่ทัพเป็นกองทัพนี่ไปฝักไฟเอ่อไปฝักไฟทหารที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างที่เกิดขึ้นในสยามกับปัตตานีมันมีการตู้ตอบปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัย ซึ่งมันไม่ได้เป็นการประทะหรือเป็นการต่อสู้ที่เรียกว่าเป็นจิฮาดไม่ใช่มันไม่ใช่จิฮัดบางครั้งที่มีการต่อสู้ในของมุสลิมนี่มันก็ไม่ได้ต่อสู้เพื่อจิฮาดต่อสู้บางทีก็เรื่องผู้หญิงเรื่องเรื่องทรัพย์สินเรื่องทรัพย์ยรอนเรื่องเรื่องอะไรที่ไม่ใช่อิสลามเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่ออิสลามแต่แล้วอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเขาโตกลับนี่เขาเขาเโตกลับ ด้วยเจตนาเดียวกันมันก็เป็นสถานการณ์ที่ชี้ชัดไม่ได้ว่า น, นี่ฝั่งนี้ของของอิสลามแท้ๆถึงจะเป็นมุสลิมมานะแต่เจตนาของเขาเนี่ยไม่ได้ต่อสู้ลรต่กูนะเคยเรีมาตุนล่แล้วเนี่ยอย่างที่เราเคยอธิบายต่อสู้เพื่อทรัพย์สินเพื่อสะดุ้งสตดางเพื่อชื่อเสียงเพื่ออะไรนายก้อนนี้ไม่ใช่วีสบิลละฉะนั้นคนที่จะมาฝักฝ่ายกองทัพนี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ถือว่าเป็นถึงแม้ว่าเป็นมุสลิมนะ ไม่ใช่ว่าเราเป็นมุสลิมทั้งกองทัพเนี่ยสแสดงว่าการต่อสู้ของเราจะต้องจิฮัดเสมอไม่ใช่เรื่องนี้เป็นบททดสอบในช่วงช่วงสงครามที่อเมริกามามาล้มสดดดามและไปล้มตอริบนันเป็นเหตุการณ์เป็นบทบทดสอบที่รุนแรงมากในสังคมมุสลิม คือทั้งผู้รู้ก็ลำบากใจซาดามไ ป, ไปยึด k u w a i อย่างเงี้ยยึด Kuwait ท, ทำสงครามยึด Kuwait เอูดีนี่ฉีแตกเลยนะพราะซาดามเนี่ยเขาบอกว่าสามชั่วโมงเนี่ซาดามเนี่ยเหมือนลูกชิ้นอนะสามชั่วโมงนะ่ยยึดประเทศเาอูดีกลัวเลยดิ อีกนอนหนึ่งก็เข้าไปยึดยานาฬิจมังหลวงซาอุดีทํายังไงไปดูดิเรามีทหารมีอะไรจะสู้กับสดตมได้ไงสแตมสมเนี่ยเขเกือบจะทํานิวเคลียแล้วแต่สแตมนี่ก็าไปยึดคูเวตนี่ก็ไม่ได้ประกาศว่ายึฮานเปนอะไรทั้งสิ้นนะเขาไม่พอใจเรื่องน้ํามันคูเวตนี่ไปขโมยน้ํามันบ่อน UH ้ํามันอยู่ระหว่างใช้ได้ระหว่างอิรักกับเนี้ยถึงบอกว่าไม่ม่มีไมเรื่องยึดฮานเลย ซาอุดีแล้วก็อาอารับประเทศอ่าอารทั้งหมดนี่ยทำยังไงขอความช่วยเหลือจากอเมริกาแต่นี้ต้องยอมรับนะว่าตอนนั้นนะกษัตริย์ฟาฮเนี่ยก่อนที่จะประกาศขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเนีขาเรียกอุลามาเรียกเชนบินบาสิบเนอไซสภาอุลามาที่ซาอุดีเป็นปัญหาเป็นปัญหาของโลกมุสลิมแต่เขาก็เรียกสภาอุลามาซาอุดีอย่างเดียวอุลามาซาอุดีก็เลยรับไป ต้องยอมรับว่าอุลมามะส่วนมากเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเชิญชวนให้รับรู้เรื่องนโยบายภาคนามอุลมามะก็จะถูกเรียกในห้องแอร์นี่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้นะจะให้ทำยังไงกษตริทธเขาสิเชฟบิมบาสุกเชิญมาสถานการณ์เป็นอย่างนี้อย่างนี้งงนะสดดับนะเป็นไฮส์บุลบาสเป็นพรรคซึ่ง บ้าสเนียก็เป็นพรรคชาตินิยมระดับสูงที่ไม่เอาศาสนาเหมือนกันขึน้นเขาเอาเรื่องนี้เนี่มยมาใส่ไปข้อมูลในเชิงบิบาสนียเดี๋ยวซัดดำเนี่ยเขาจะเสร็จกับคู่เอกแล้วเดี๋ยวเขจะเข้ามานะแล้วเราไม่มีทหารพอไม่มีอาวุธพอที่จะต่อสู้กับซัดดำขอความช่วยเหลือจากกาเฟสได้ไหมก็คื อ, อจากอเมริกาเนี่ได้ไหมออกฟะตัวว่าได้อุลมามัคนอื่นที่ซาอุดีเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยนี่ก็ อ, ออกมาสิ ออกมาเช็กซ gotcha. ัลมาโนเดะสั่งการีใครออกมาทะเลงกาลิไม่ได้เราอาศัยทหารมุสลิมของเราเนี so ่ยจะได้ไปช่วยชาวกุเอตได้ต่อสู้สดํานี่ได้แต่ไม่ให้ไม่ให้ทหารของอเมริกาไม่งั้นน่ะมันมาแล้วไม่ไปแล้วมาแล้วไม่ออกพวกนี้ในประวัติศาสตร์เป็นอย่างนี้ในมุมมองผมเนี่ยความเห็นของเชบิบมบาสเนี่ยที่อนุญาต แบบเปิดเปิดเลยให้รัฐบาลซาอุดีเนี่ยเชิญชวนฐานอเมริกามันก็ไม่ถูกและความเห็นของเชิญเซนมาโนได้บอกว่าเอาอเมริกาไม่ได้เอาฐา น, มมนวุฒิสิบหกก็มันก็ไม่ถูกเสมอเพราะต้องยอมรับขอ้อเท็จจริงมีข้อเสนอตลกอันหนึ่งอ่ะนะมาจากบิน ล, ลาดินบิน ล, ลาดินฝากข้อเสนอกับผู้รู้ที่คัดค้านเนี่ยบอกว่า ไม่ต้งองเอาอาหารอเมริกามาแล้วผมจะเอากลุ่มมุชายดีนที่อยู่อับกาญกับกับประชาอับกาญนี่มาสุด <laughs> เ, เป็นไปได้นะเลยเป็นไปได้ไงคือผู้นะํามุสลิมถึงจะเป็นมุสลิมแต่เขาก็รู้ว่ากลุ่มมุชายดีนที่ไหนเนี่ยเขาก็ไม่พอใจรัฐบาลรัฐบาลในประเทศมุสลิมต่างๆเขาก็ช่าง น, นา้ําหนัก จะเชิญกลุม่ม m u j a h ิ d i n มาต่อสู้ที่จริงเนี่ยถ้ากลุ่ม mujahidin มาต่อสู้นี่นะเอาเรื่องมึงกันนะเอาแค่เอ า, เอ า, เอาของตอริบันเนี่มาสู้มาสู้เออสแต ด, ดัมเนี่ยก็สแ ด, ดัมก็ไม่เหลือเหมืองกันแต่มาแล้วเชิญมาแล้วนี่เขาจะกลับไหมอเมริกาเขาก็รู้ว่าจะเชิญอเมริกามานี่ก็อาจจะไม่กลับแต่ระหว่งางกลุ่ม mujahidin และก็อเมริกาเนี่ยอันไหนที่มัน ตอบจูดความต้องการของอำนาจรัฐตรงตอนนั้นนะมากที่สุดเขาบอกว่าอเมริกาปลอดภัยที่สุดบริบทที่มันซับซ้อนมากเรื่องนี้ทำให้มีคำถามเยอะมากเกิดขึ้นเยอะมากเชิญทหารกาเฟตมาได้ไหมสิ่งหรึ่งนี้มันก็มีความขัดแย้งระหว่างอุลามานั้นะเอากาเฟตนี่มาอยู่ในกองทัพได้หรือไม่ได้ อันนี้ก็มีมีมีจริงในในนิติศาร์อิสลามมีพูดเรื่องนี้จริงมีทัศนที่บอกว่าได้มีทัศนที่บอกว่าไม่ได้การที่เชิญอเมริกาเนี่ยมันใช่เป็นการขอความช่วยเหลือในสงครามหรืออันนี้เอากาเรฟเนี่ยจะได้มามามาต่อต้านมุสลิมด้วยกันคืออุลามากลุ่มนั้นก็ก็มบอกวาสดดําแล้วก็ชาวเอรักเนี่ยก็ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่เป็นผู้ละเมิด ในช่วงนั้นนะก็เกิดอะไรก็ความตึงเครียดในสังคมมุสลิมในโลกมุสลิมทั้งหมดเลยกลุ่มอุลามาที่ให้การสนับสนุนรัฐรัฐบาลต่างๆที่เชิญชวนอเมริกามาต่อสู้นี่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นกาเฟร์ว่าเป็นรัฐบาลกาเฟรเป็นผู้นํากาเฟรเพราะให้กาเฟรมาสู้กับมุสลิม ซึ myself, ่งมันไม่ใช่อยมันไม่เป๊กไงสถานการณ์ตอนนั้น่ะมันไม่เหมือนสถานการณ์นี้มันมีมันมีแต่ละฝั่งนี่มันชัดแล้วก็เจตนามันก็ชัดเจตลาของแต่ละฝ่ายนี้มันชัดต่อตอนนั้นแต่ละฝ่ายนี่ความชัดเจีนเขาต่อสู้กันเพื่ออะไรฝั่งรัฐบาลต่างๆนี่ก็เห็นไอ้กลุ่มนึงก็ใส่เขา เป็นรัฐบาลกาเฟตเป็นผู้นำกาเฟตและอุลามาที่ให้ฟาตวนี่ก็เป็นพูดแบบคําหยาบคายมากเลยนะพวกนี้ก็เป็นเป็นรองเท้าในตีนของพวกนัอะไรแบบนี้ฝั่งนูน่นเกิดเลยสวนกลับเลยดิข้อหาที่ง่ายที่สุดเนี่ยพวกเองนี่แหละก่อการร้ายและนี่ที่ไปที่มา ก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลมุสลิมทั่วโลกเนี่ยสนับสนุนจิหาดที่อัมการิสานเต็มที่หลังจากนั้นน่ะจบเลยเรื่องจิหาดทั่วโลกเนี่ยกลายเป็นขอ้อหาเชคบิมบาสเี่ยเคยเขียนก่อนเหตุการณ์เนี่ยเคยเขียนหนังสือฟักลุลจิหาดดีฟบสบิลแ ล, ละความประเสริฐของการจิหาตเรื่อต่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ไม่ได้ถูกตีพิมพ์อีกแล้ว เชคอาบดุลรหมานนาจะอัศสสดีรุ่นเดียวกัชบชคเบมเบสเนีเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับความประเสริฐของจิ h า d เหมือนกันก็เปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนชื่อหนังสือเป็นหัวข้ออย่างกื่นไม่ให้มีคําว่า jihad ใครที่พูดเรื่องจิ h a d นี่เขเป็นข้อหาจริงๆเลยนะที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในตอนนี้เนี่ยหรือประเทศรอบๆเขาเนี่ยสแวันออกกลาง เรเตีขึ้นมิมบาร์พูดถึงเรื่องจีฮ่าเรื่องต่อสู้เรื่องอะไรนี่เนผมทันสถานการณ์นั้นนะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันนะขึ้นคุบาร์พูดถึงเรื่องฟาโรฟิราอุนถูกเรียกเลยครัฟิราอุนหมายถึงใครหมายถึงใคฟิราอุนฟิราอุนของมูซานูนะไม่ใช่เอามูอนําประเทศหรือเปล่า เพราะนี่บ่าขนาดนั้นเว ล, ะะล า, าพูดอะไรในกุรานในหะดีสเนี่ยแล้วก็มีอะไรที่พลาดพงนิดนึงนะถูกเรียกเลยสอบสวนเลยขนาดนัน้สนสถานการ์ตึงเครียดแบบนี้เนี่ยาไมเกิดสภาพเรียกว่าภารกิจอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ ไม่ได้ทำหน้าที่จิฮาตจริงๆต่อสู้จริงๆนะภารกิจนี้ก็คือกล่าวหาคนอื่นก็คือจิฮาตดเลินแต่หลอกลวงตัวเองไงคือเขาไม่ได้จิฮาตจริงก็ไม่ได้ต่อสู้จริงและไม่ได้ต่อสู้สัตรูที่แท้จริงมันก็เกิดภารกิจใหม่ทำยังไงอ่ะก็มาต่อสู้ด้วยกันเองเฮ้ยใช่มุสลิมจริงหรือเปล่าไม่ใช่คุมูนาฟิกหรือเปล่า ซึ่งเรื่องนี้ในสมัยท่านนาบีสุลต่านไม่ได้เป็นภารกิจนะไม่ได้เป็นภารกิจสังเกตว่าในคุตตานนี่ก็ไม่แม้กระทั่งชื่อมุนาฟิกยังไม่ได้เอ่ยเลยแล้วตัวท่านนาบีพยายามประพฤติให้มุสลิมในสังคมเนี่ยไม่ไม่มีบทบาทในการปรับปรําในการใส่ร้ายกล่าวหาคนอื่นง่ายๆถึงขนาดที่พฤติกรรมของมุนาฟิกินบางอย่างนี่พอมาปรากฏอย่างของฮาวติ บ, บิบนบีเบลตา อับดุ้บีปพิชิตมักกานีฮาตอยู่นนลตาาหขงนบีรเนี่ ย, าาาานนยฝากจดหมายกับผู้หญิงคนหนึ่งไปเตือนชาวมักกานี่หัวนระวังนะอบีจะไปจะไปพิชิตมักกานแล้วนะพราะบบีรู้แล้วนี่ก็เรียกฮาต์ในนเลตาทไมทาอย่างนี้มันทำทำไม่ได้นะมุสลิมทม่านก็บอกว่าผมนี่ไม่ไม่ได้ตกศาสนาไม่ได้เกียรตังอิสลามเลยนะแต่มีญาติอ่อนแออยู่ที่มักกากวเดี๋ยวเขาจะถูกสังหาร อ๋มริบนุ่งเขต้อนไม่ดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างชัดนะว่ามันไม่ใช่พฤติกรรมของมูสัตทางไปฟักใยค่อยขนาดนี้บอกกับท่านนาบีบอกว่าอนุญาตันเนี่ยตัดคอมุนาพิค น, นี้อดทนไม่ไหวนบีเนี่ยพฤติกรรมของท่านนาบีที่จะลดบทบาทในสภาพจิตใจคนที่เขาต้องการกล่าวหาลิมด้วยกันนล่ลดลดเามัไปกล่าวหาได้ไงนี่เขาทาสงครามบัดนะ คนที่ทำสงครามบัดเนี่ยเอาลอยไปโทษเขานีิจะไปรู้ยังไงอ่ะจะไปตัดคอเขาได้งไงเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งที่เกิดขึ้นมันก็บ่งชี้ว่าสถานการณ์บางสถานการณ์เนี่ยถ้ามันมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีอะไรคลาดเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องเผื่อไว้หน่อยในเรื่องการกล่าวหาคนอื่นในเรื่องปักปําคนอื่นเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเสี่ยงและอีกอย่าง เรื่องนี้มันจะทำให้เราเนี่ยลืมภารกิจหลักของเราก็คือการที่เราจะต้องปกป้องอิสลามเราต้องต่อสู้ศัตรูที่แท้จริงสังเกตมาในสังคมมุสลิมโดยนี้อิมาอุติเม่เคยบอกว่าครั้นถ้ามุสลิมไม่ทำหน้าที่ j ิ h า d กับศัตรูที่แท้จริงเนี่ยก็จะไปหาศัตรูสู้กันเองในสังคมมุสลิมด้วยกันสังเกตนะในสังคมมุสลิม ก็ต้องพูดเรื่องนี้เพราะเราจะมีหลายอายาที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์แบบนี้เราจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะครับอายาต่มานี่5ห้าสิบสองห้าสิบเอ็ดนี่แล้วก่อนห้าสิบเอ็ดนี้ก็พูดถึงเรื่องอุณาฟิกษ์ใช่ไหมอันนี้มาถึงศัตรูจริงแล้วนะ ที่สร้างความมวอัดกลัวในหัวใจของมุสลิมซึ่งเป็นมุสลิมยังเป็นสังคมใหม่ที่อ่อนแอที่ไม่มีประสบการณ์ในการต่อสู้สมุสลิมยังไม่มีประสบการณ์ต่อสู้ประเทศมหาอำนาจอย่างโรมันและยิ่งร่วมมากันแบบนี้เนี่ยกองทัพเป็นแสนแบบนี้ไม่เคยเนี่ยกองทัพปรขามสมุทรระดับนี้ไม่เคยเจอกองทัพเป็นแสนแบบนไม่เคยเจอ แน่นอมันก็ต้องสร้างความหมาดกลวอัลลอฮ์ก็เลยสั่งสอนนี่เป็นเป็นคําสั่งสอนแรกๆที่จะสอนเรื่องแต่ว่ากุศเรื่องการมอบหมายอย่างเป็นรูปธรรมมอบหมายดอนลออย่างที่บอกที่สุดของอีมานี่คือไม่เห็นอํานาจใดๆอื่นจากอาํอลลานาจของลอสุฮาห์นอานาจอื่นๆเนี่ยถึงจะมีอิทธิพลเนี่ยแต่มันก็ มันก็ต่ำต้อยกว่าอำนาจของลอสซานี่คือที่สุดที่สุดของแต่วกุลของอิมานกุลโอ้์มหัมมัดจงกล่าวจงสอนผู้ศรัทธาที่เขายังหวาดกลัวที่เขายังระแวงสภาพการต่อสู้การทำสงครามกับศัตรูที่เขามีอิทธิพลมีความสามารถสูงเนี่ย و َ ن َ ح ْ ن َ ا ت َ ر ب َ ص ُ بِكُمْ أَيُّ ص ِ ب ك ُ م ُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ ع ن ْ د ِ ه َِ و ْ بِأَيْدِينَا فَتَرْبَصُوا إِنَّ أ ع ع ه ه َ ع ْ م َ م ُ ت َ ر ب ص ُ و ن َ قُلْ جُنْقَلَوْتَهُ وَمُحَمَّدٌ ج ُ ن ْ ق َ ل َ ه ُ ل تَرْبَصُونَ بِنَا؟ พวกท่านจะไม่คอยดูพวกเราคอยดูหมายถึงว่าเฝ้าเฝ้าอยากได้เห็นผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมเนี่ยอิลลน นอกจากหนึ่งในสองสิ่งที่ดีเยี่ยมเท่านั้นสองสิ่งที่ดีเยี่ยมนี่อันนี้ในสายตาของผู้ศรัทธาแต่ในสายตาของเขาเนี่ยไม่ดีเยี่ยมสิพ่ายแพ้หรือตายสองอย่างแต่พ่ายแพ้กับตายนี่ในมุมมองของผู้สรัทธาไม่เฉียงงั้นถ้าพ่ายแพ้พ่ายแพ้นี่ก็หมายถึงว่าสภาพที่ สภาพที่เราจะไม่ประสบกับสิ่งที่เราปรารถนามันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งผายแพ้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ตายหรือจะตายแต่เราตายเนี่ยเราก็จะได้สวรรค์แต่ถ้าเราไม่ได้นี่ก็ถือว่าถูกบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่ Allah จะตอบแทนเราหรืออันที่สองนี่ก็คือชัยชนะอีกสิ่งดีที่เราต้องที่เราต้องการในสงครามนี้ก็คือชัยชนะ แต่ชัยชนะชัยชนะของของมุสลิมเนี่ยศัตรูนี่จะไม่มองว่าเป็นสิ่งที่ดีสิสิ่งที่เขารอคอยนีย่ที่เฝ้ารอเนี่ ย, ยพ้แพ้ไม่ใช่ชัยชนะแต่ในมุมมองของเราเนี่ยเราจะไม่มองแบบนี้เราจะไม่มองเหมือนเขาไงเรามีสองอย่างนี่แหละชนะหรือตายเพราะที่จริงเนี่ย สำหรับมนุษย์คนไหนในโลกนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังมีโอกาสเช่นเดียวกันสำหรับเรานี่ถ้าชนะถ้าชนะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและถ้าไม่ชนะและตายละก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับมุสลิมไม่ถือว่าเสียหายซึ่งเป็นมุมมองคนละมุมมองกับคนที่ปฏิเสธศรัษษทธา คนที้แบบที่จะศรัทีาที่ไม่มองว่าการต่อสู้นี่มีผลลัพธ์อะไรกับชีวิตของเขาหรือไม่ได้เชื่อในพระเจ้าไม่ได้เชื่อในวันปรโลกไม่ได้เชื่อในสวรรค์ในนรกนี่แน่นอนการตายของเขานี่ก็ถือว่าเป็นความเสียหายเป็นการพ่ายแพ้ที่แย่ที่สุดเลยแต่สําหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ใช่ท่านนบีก็เลยอัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีสุลต่านเซลามให้สอนผู้ศรัทธานี่บอกว่า สิ่งที่ขเขารอคอยที่เขาเฝ้าระวัาวางให้เราได้ประสบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวร้ายในในสายตาของเขาอะนะที่เขาต้องการให้เราพบใช่ไหมแต่สําหรับเราเนี่ยเราจะมองว่ามีแคส إ إ ่สองอย่างอิละเอขดลภูษณยายนสองสิ่งที่ดีเยี่ยมหนึ่งชชนะหรือความตายที่จะนําเราไปสู่ส่วนสวรรค์มี่สองอย่างที่ดีชนะก็ดีสองเข้าสวรรค์ก็ถือว่าเรื่องดีสองสิ่งที่ดี ในสองสิ่งที่ดีเยี่ยมเท่านั้นว่านักนุนตอระบบสูบิคุมแตส่ส่วนเราละ่ะผู้ศรัทธาและเราก็จะคอยดูเฝ้าระวังพวกท่านไอยุสีบักุมุลลอห์บีอา ي ي ين, ดับิมินอันดีอูบีไอดีณาเฝ้าระวังในการที่อัลลอฮ์จะทรงให้พวกเจ้านี่ผู้ปฏิสธานี่ให้ประสบแก่พวกท่านด้วยการลงโทษที่มาจากพระองค์หรือด้วยมือของพวกเรา หมายถึงว่าเรานีต่างหากที่คอยเฝ้าระวังว่าเราจะลงโทษพวกเจ้าเหมือนที่ลงโทษกลุ่มชนอื่นๆที่ท้าทายพระองค์เช่นกลุ่มกลุ่มชนสมูทกลุ่มชนอารดกลุ่มชนของกลุ <c oughs> ่มชนของฟาโรห์ฟิราหนาทั้งหลายเนี่ยก็ถูกลงโทษในโลกนี้ไม่ได้ลงโทษด้วยน้ำมือของ ของบรรดาอบีของมนุษย์ของผู้สถานะลงโทษด้วยอำนาจของเราสุภาโนวาทาเป็นการลงโทษอาสาบจากเราสุบภาโนวาทานแหละแท้ๆหรือมิเช่นั้นให้ถูกลงโทษด้วยมือของเราก็คือด้วยการต่อสู้ของเราการยิหัดของเราให้พวกเจ้านี่ <c oughs> พ่ายแพ้เพราะตรบบสูดังนั้นพวกเจ้าคอยดูไปเถิดรอที่จะให้พวกเรา แพ้หรือตายใชม่มก็รอไปสิฟัตระบะสูอินเนมาคุมมุตร บ, บิซูนแท้จริงพวกเราก็าจะเป็นผู้คอยคอยดูพร้อมกับพวกท่านด้วยการคอยดูนี่อันนี้เป็นสำนวนอัตรับบุษเป็นสำนวนตร บ, บุษฟตรบะสูอินเนมาคุมมุตระ บ, บิซูนคือเฝ้าดูบั้นปลายของเหตุการณ์เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น รอดูดอดอเฝ้าดูคอยดูเหมือนที่เราคดูคอยดูคอยดูเป็นสำนวนหมายรวมว่าในขณะที่เรากำลังต่อสู้ทุกคนที่กำลังมองจุดหมายของการต่อสู้เนี่ยใครที่ประสบความสาเร็จใครที่ไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยสำหรับมุสลิมเนี่ยถ้าทำอะไรในหนทางอัลลอ์เนี่ย ถ้าเราได้ทำอะไรจุดเริ่มต้นเนี่ยมีเจตนาที่ชัดจนิยารรมเพื่อเราสุภาพนวัดะไม่ต้องกลัวความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเนี่ยล้วนเป็นกำไรตั้งใจจะไปละหมาดละหมาดุมาละหมาดที่มัสยิดละหมาดซุบฮีพอไปละหมาดแล้วเนี่ยหกล้มงูกัดมุสลิมจะไม่คิดนั่นนะนั่นนะนั่นนะเห็นไหมนี่นะ คนอยากไปละหมาดเลยเกินใช่มนี่ไงโดนเห็นไมไม่ใช่ไม่ใช่ดิเรามว่าอันนี้ยิ่งเป็นผลบุญเพิ่มเป็นผลบุญเพิ่มมากขึ้นเรากำลังดิ้นรนต่อสู้ทํามาหากินหารายได้จะหลาลจะได้เลี้ยงครอบครัวของเราและเจอปัญหา ปัญหาที่ทำงานปัญหาหนะนั่งรถผู้โดยสารปัญหากับเจ้านายปัญหากับลูกน้องปัญหากันทั้งหมดเนี่ยเป็นบททดสอบเพิ่มผลบุญเพราะการที่เราทำมากินหาอะไรได้ที่ขารลนาลี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้อีกอย่างหนึ่งในชีวิตของผู้ศรัทธาเทียบไปเลยจะไม่มีการขัดทุนสำหรับมุสลิมถ้าการงานของเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์มีความตั้งใจ จึงจึงเป็นอุทาหรณ์ในพวกเราเนี่ยได้สำรวจตัวเองตลอดอย่าได้ทําอะไรแล้วก็สร้างความขัดทุนความเสียหายในชีวิตของเราเพราะมันไม่คุม้มทำยังไงให้ทุกการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเริ่มด้วยเจตนาที่ดีไปทํางานแต่เชา้าเจตนาให้ดีซะไปเรียนแต่เชา้าเจตนาให้ดีทำไมให้บททดสอบ ที่มันเกิดขึ้นตลอดทางนี่นะมันเป็นบวกบวกเพิ่มผลลบุนแต่ถ้าออกไปทำงานแต่เชา้ามีเจตนาไปทำงานแล้วก็มีเจตนาอื่นเราจะไปทำงานแวนั้นแว บ, แวบแนั้นนิดนึงถ้าเกิดอะไรละ่ะถ้ามีเจตนาที่มันไม่ดีตั้งแต่แรกอะไรที่เป็นบททดสอบนี่จะรู้ยังไงมันเป็นมันจะเป็นผลบุญละ่ะ เช่นเดียวกันเรื่องนี้ผมเคยเตือนพี่น้องให้ระวังนะเป็นละหมาดมัสยิดเนี่ยผลบุญนะที่เปละหมาดที่มัสยิดเนี่ย2 0เท่าหรือ27เท่านี่ที่ท่านเดบีได้บอกและทุกเก้าเนี่ยมันจะลบล้างบาปอย่างหนึ่งแล้วก็จะเพิ่มผลบุญหนึ่งคะแนนแล้วก็ขึ้นขั้นผู้สัาอีกหนึ่งขั้นทุกเก้านะ มีเงื่อนไขไม่มีอะไรที่จะกระตุ้นให้ออกจากบ้านไปมสัสยิดเนียนอกจากละหมาดที่มสัสยิดเท่านั้นฉะนั้นให้เป็นเป้าหมายหลักเช่นบางทีเนี่ยเราไปทำงานเพิ่มอีกเจตนาหนึ่งนะเพราะยังไงเราก็ต้องละหมาดเจอีกเจตนาหนึ่งว่าที่เราจะเดินทางไปทำงานนี่นะหนึ่ ง, นะงเราจะได้ไปละหมาดที่มสัสยิดที่นั่นแถวนั้น ถ้าทําได้ถ้าทําได้ถ้าทําได้แสดงว่าทีเราออกจากบ้านแล้วกลับไปทํางานนี่ๆตลอดทุกเก้าเลยนะทุกเก้าเลยนะนอกจากว่าเราทํางานด้วยนะและก็ยังเป็นเป็นผลบุญของการเดินไปละหมาดที่มัสยิดด้วยแต่สมมุติว่าเราจะออกไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยที่ บ, าบ้านโบกฝากซื้อน้ำบังด้วยฝากซื้อน้ําแข็งด้วย ไดมีสองเจตนาแที่จะออกหรือว่านั่งอยู่ที่ดีเนี่ยไม่ไม่ได้ไปจะไปมสัสยิดที่บ้านก็บกว่บ้านไม่มีน้ําปลาแล้วนะไม่มีไม่มีมมน้ําจิ้มแล้วนะเออดีจะได้เป็นละหมาดทีเดียวเลยอันนี้แสดงว่าแสดงว่าเป้าหมายหลักนี่ก็คือน้ําจิ้ ม, มแต่แบบนี้เนี่ย ผลบุญที่ท่นนายดถึงไม่ได้เพราะท่านนาพีบอกว่าผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดนี่นง่นไครนี่อุลามาอย่างพูดด้วยนะผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดที่มัสยิดต้องอาน้ละหมาดที่มัสยิดด้วยแต่มีอุลามาบางท่านนี่แย้งบอกว่าไม่เป็นไรเสียน้ำละหมาดก็ไม่เป็นไรก็ได้ผลบุญแต่ในหะดีสเนี่ยผู้ใดฮะดีสบอกที่บุคคลในมุสลิมผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดที่บ้านตั้งใจไปละหมาดที่มัสยิดไม่มีสิ่งอื่นใดที่ทําให้เขาเนี่ยออกจากบ้าน นอกจากไปละมาทิมัสินถ้ามีเจตนาสว่าไปละมาที่มัสินแหว่ซื้อขนมปังไม่ได้อะแหว่ซื้อยาไม่ได้แหละได้แต่อย่าให้เป็นอย่าให้เป็นเจตนาหลักที่ทําให้เราออกจากบ้านเสียหายเสียหายนีนหมายที่ว่าได้ผลละบุญจะมาอย่างเดียวแต่ผลละบุญที่ท่านนาพีพูดถึงทั้งหมดเนี้ยอาจจะไม่ได้ เราเข้าใจจากคำว่าอิล ا ์อัลฮุสนาเยอีนได้ให้มุสลิมเนี่ยมองถึงทุกความเสียหายในหนทางอัลลอฮ์นี่ว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกความเสียหายในหนทางอัลลอฮ์นี่เป็นสิ่งที่ดีท่านนบีสุลแลลลอฮ์สั่งว่าอนะฮัดดิสที่าจากบุคคลมุสลิมรืงานด้านสุไหบั้งั่งันอ أمر มุ่มินเรื่องมุ่มินเนี่ยช่างช่างประหลาดเหลือเกิน إ ินอัมรหู خير กิจการของมุสลิมล้วนเป ك กิจการที่ดีทั้งสิ้นอินอซาบัตหูสราอุชะกะรฟะกาถ้าได้ประสบกับสิ่งดีงามเขาก็จะขอบคุณอัลลอฮ์ก็เป็นเรื่องที่ดีงามสาหรับเขาฟะการน ا ขัยรัลละว่าอินอซาบัตหูดรออุซาบาระฟะกาประสบกับมุสีบะเนี่ยความเสียหายใดใเนี่ยซบก็อดทนก็เป็นเรื่องที่ดีสาหรับเขา ดันมุสลิมผู้ศรัทธานี่ก็จะอยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวกําไรตลอดเวลาแต่มีเงื่อนไขก็คืออดทนอเล็กซานบอกว่าอดทนนี่คือต้นทางของตระกุลสบับปรเนีย ต, ต้นทางของตะวะกูลอดทนนี่คือต้นทางของการมอบหมายเราจะไม่ถึงขั้นที่มอบหมายจนกว่าจะต้อง มีการอดทนและการมอบหมายเนี่ยมันจะต้องอดทนอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่อดทนครั้งเดียวแล้วก็จบแล้วครั้งนี้ก็จบแล้วไม่ใช่ต้องอดทนต่อเนื่องและเงื่อนไขของการอดทนเนี่ยมันก็ต้องมีตามสัญชาตญาณของของมนุษย์เนี่ยพอ่พอพอประสบกับความเดือดร้อนนี่ความเสียหายนี่มันก็ต้องมีเจ็บปวด อดทนเนี่ยจะเข้าใจกันนครับว่าอดทนนี่มันต้องมีเจ็บปวดฉะนั้นผู้ศรัทธานเนี่ยไม่ควรที่จะเข้าใจว่าชีวิตของเขาเนี่ยจะมีบททดสอบแบบไม่เจ็บปวดอะไรถึงว่าบททดสอบที่บางคนเนี่ยน่ากลัวจะเจอเนี่ยบททดสอบรำคาญบ้างเสียใจบ้างอกหักบ้างงอนบ้างอันนี้อันนี้เขาเรียกว่า อันนี้ บ, บทบททดสอบของสังคมสังคมภาคกรมือ่อยู่กันแบบนิ่มๆแบบสบายๆดูละครก็โอ้ี่เสียใจแทนนางเอกเหลือเกินรำคาญไอตัวอีฉานี่มันลึกไ อ, น, อนี่สังคมแบบนี้ไม่ใช่แล้วบางคนนี่นะนึกว่าตัวเองนี่เป็นพระเอกของความอดทนนะทำไมโอ้โห น่สาไปรักคนนี้นะทุ่มเทกับเขาแล้วก็ทิง้งทิ้งผมเฉยเลยเขานี่ว่าบททดสอบที่ อ, อกหักนี่มันเป็นมันเป็นแยนะ่เนี่ยเขาเขาได้ทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ในชีวิตนะ่ยผมถูกทดสอบอย่างแรงเลยไอของแบบนี้เนี่ยผู้ศรัทธาเขาไม่คุยกันเลยเขาไม่คุยกันถามว่าในชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเลือดไหลในหนทางอัอลลอฮฺ ไม่ต้องเลือดเนะ้อเนือไม่ต้องเลือดนะไม่ต้องเลือดดวเข้าใจผิดเนื้อนี่หลาเพื่ออัลลอฮ์นานไม่ใช่เพื่อเล่นบอลนะเพราะถ้าเล่นบอลนี่เยอะอยู่แล้วเล่นบอลเล่นตะก้อนี่ไม่ต้องห่วงเนื้ออกนี่เพื่ออัลลอฮ์วีซบิลิเล่นี่มาลองคิดกันดูสิบางทีเรานี่แค่จะเดินไปมัสยิดมัสยิดไกลหน่อยเนื้ออกมาด้ายเลย มันจะได้ไม่เหนื่อยเราเราเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เหนื่อยจริงๆเนี่ยเพื่อสังคมเพื่ออิสลามเพื่ออันเนี้ยบททดสอบจริงๆสุขภาพทรัพย์สิสนเวลาเสียมันเนี่ยเพื่ออัลลอ์นี่อันเนี้ยถึงจะเรียกว่าเออเราเราเจป็ปวดจริงๆรามัดระวัง เวลาใช้คําในเรื่องเรื่องศาสนาเรื่องเรื่องดีที่อัลลอฮ์ใช้เราเน่ยอยาใช้คำว่าเสียขาดทุนโอ้นี่ผมเสียเวลากับเรื่องละหมาดมันเสียมารยาทผมเสียเวลากับเรื่องละหมาดเสียเวลามาเรียนตับเสีย้ยบางทีก็พูดด้วยเจตนาที่ดีนะเห็นโดนฝนอะไรเงี้ยแล้วก็มาตับซี้ยนี่กำลังจะ บรรยายเสร็จแล้วโหเสียดายผมบสชาเสียเวลาอย่าใช้คําว่าเสียเวลาไม่เสียเวลาแค่เดินทางมาแล้วนี่ผลบุญมหาศาลแล้วคือเรามาที่นี่คนที่มาที่นี่มาได้สองอย่างเลยความรู้และกับผลบุญถ้าไม่ได้ความรู้แต่จิตตนะตั้งใจมานี่ก็เจอฝนเจอรถติด เ, เจออะไรนี่ตั้งใจมาอุตส่ามานะอย่ามองว่าตาช่างของอันล่อเหมือนตาช่างของมนุษย์นะพนักงานนี่มาสาย ัดเงินเดือนอย่งเดียวไม่มอกผมเจตนาดีครับเจตนาโน้นเลยไปทํางานบริษัทเจตนาโน่นที่นี่เขาม่มนุษย์เด็กเขาไม่เขาไม่มองแต่พระเจ้านี่ไม่ใช่ตาช่างหกล้มนี่มันไม่ใช่เนี่ยอันนี้อายานี่มาตรงนี้อันนี้พูดถึงเรื่องศัตรูศัตรูชัดๆนะสั่งสอนนบีสั่งสอนสังคมมุสลิมว่า อย่าให้ความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในสงครามตะบุกเนี่ยบันทนความตั้งใจในการเพราะบางทีเนี่ยความหวาดกลัวเนี่ยมันจะเป็นศัตรูมากกว่าศัตรูที่เป็นรูปธรรมที่เป็นตัวจริงสศัตรูที่อยู่ในหัวใจของเราในเรื่องความหวาดกลัวเราก็อ ย, ยไปกลัวศัตรูเพราะเราไม่มีอะไรขัดทุนเลยอุสสาหไม่มีอะไรขัดทุนในเมื่อตั้งเจตนาในการต่อสู้ ในการชชีวิตเพื่อ Allah s u h a n a h u wa a a l a และหลังจากนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องมุนาฟิกอีกลคนอัมฟิกุตัอันอวครห์นลียุตะ قب ล์ละมิงกุมอินนักุมุตุมข้าวมันฟาสิกีคนนั้นอัลจัดอิบนที่เคยเป็นผู้นาของบรรดุสลามันที่เขาบอกว่าเขากลัวฟิหน้าของผู้หญิงชาวโรมันกลัวความสวยงามหรือกลัวหลงผมไม่ไปหลักให้ผมไปเลยผมกลัว หลวงผู้หญิงแต่ผมมีเงินเออเงินช่วยดีกว่าผมไม่ไปแล้วก็เลยตอบโต้ท่อนแรกอีกเดลลี่ว่าอะไรต่ฟินี้ในอนุญาตได้ฉันอย่าไปเลยอย่าให้ฉันได้พบกับบททดสอบฟิตหน้ากับผู้หญิงชาวโรมันอันนี้ท่อนแรกก็แล้วก็เลยตอบโต้แล้วแอลแลฟิลฟิตนาติสกัตตุที่จริงการที่ไม่ไปญานั่นน่ะคือฟิตนะ ท่านดีสองที่ก็พูดกับท่านนบีแต่ข้าพระเจ้านี่มีเงินผมขอช่วยนบีแล้วกันช่วยเหลือบริจาคในอุนตังอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้ท่อนทีสองของอัลลอฮ์ดิบญะไครสบกว่าอุลแอนฟิกูจงกล่าวเถิดอุมมห์มัดตอบโต้เขาอัมฟิกูพวกขั้นจงบริจาคกันเถิดบริจาคเลยบริจาคกับคำว่าคําว่าบริจาคนี่หมายถึงว่าจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่หมายถึงว่ายินดีให้ทางนั้นไม่ใช่ จะทำอะไรก็ทำฉันไม่สนใจหรอกบริจาคกันเถิดตัวอันทั้งด้วยสมัครใจเอากระหันหรือด้วยฝืนใจจะดึกนหนวก็ฝืนใจเป็นมูนาเบกีเนยเขาไม่ไม่สมัครใจที่จะบริจาคอยู่แล้วแต่บริจาคจะได้ไม่โดนข้อหาว่าไม่ได้ช่วยนาวีเลยจะด้วยสมัครใจหรือด้วยฝืนใจนี่ลไลยูตะกับบลามิงกุมมันจะไม่ถูกครับจากพวกท่านอัลลอฮฺจะไม่ตอบรับการบริจาคของ เป็นอันขาดลัน่นเป็นอันขาดอินนกุมกุ้นตุลเก้ามนฟาสิกินถ้าจริงพวกท่านเป็นพวกที่ละเมิดละเมิด อ, อะไรละเมิดคำสั่งคำสั่งคืออะไรช่วยเหลือท่านนบีช่วยเหลือศาสนาแล้วคนละเมิดยังไงก็อยู่กับบ้านไงไม่ออกไปสูรปร้รบวลยแล้วก็อยู่กับบ้านนี่ละเมิดล่นี่ การละเมิดเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเลยที่เป็นการเคลื่อนไหวแต่ผลลัพธ์ของมันเนี่ยที่มันจะเกิดกับตัวเราแล้วก็เกิดกับคนอื่นเนี่ยมันเป็นการละเมิดเป็นการสร้างความเสียหายคําว่าละเมิดดีไม่ได้หมายรวมหมอมีคนแล้วก็เราไปละเมิดเขามีสิทธิของมันแล้วก็ไปละเมิดสิทธิของเขาเนี่ยใช่แเราจะมองเรื่องหลักการศาสนานี่ ว่เป็นตัวแทนของพระเจ้าบนผืนแผ่นดินอัลลอฮ์ได้ส่งกุรานมาส่งนบีมาคําสั่งสอนของอัลลอฮ์ละระซูลเนี่ยเป็นตัวแทนของศาสนาในชีวิตของเราแต่มีคําสั่งสอนที่เกี่ยวกับเราดูตรงแล้วเราไม่ทําแล้วเราฝืนฝืนออนี่ขนาดนี้มันเฉยไปละมาดไม่ละมานิ่งนิ่งเฉนี่ละเมิดละเมิดยังไงอ่ะละเมิดละเมิดที่ไม่ให้ความสําคัญไม่ให้ความสํำคัญกับคําสั่งสอน ตอนที่อัลมาได้พูดถึงเรื่องคนที่ไม่ละหมาดเลยเนี่ยเป็นกาเฟตหรือฟาซิกก็จะมีกลุมหนึ่งโห้ยคนที่ไม่ละหมาดนี่ไม่ใช่กาเฟตหรอกไม่ใช่กาเฟหมายถึงไม่ตกศาสนาแล้วเป็นอะไรอ่ะเป็นฟาซิกและดีใจเหรอเฮ่เฮไม่ใช่กาเฟตแต่เป็นฟาซิกแล้วท่านดีใจเหรอว่าเป็นฟาซิกชอบไหมเรียกไงไอฟาซิกน่ยชอบไหม คือเรื่องนี้เอกฉันเลยนะหมายถึงว่าอุลมาที่เขาบอกว่าเออตกศาสนาอันนี้แรงที่สุดเลยเอา้าวถ้าไม่แรงที่สุดนี่นะก็ไม่ไม่มีทัศนะอื่นนะคือไม่มีบอกว่าเออกาเฟตหรือฟาซิกหรือคนดีไม่มีไม่มีทัศนะที่บอกว่ายังคนดีไม่ละหมาดียังเป็นคนดีเนี่ยไม่ไมีไม่ใช่กาเฟตก็คือฟาซิกและฟาซิกนี่ก็คือฟาสิ ก, สก น, กกนี่อันนี้ต้องคนที่เรียนที่ศาสตร์อิสลามนี่เขาจะ เขาจะกลัวมากที่สุดเลยฟาซิกฟาซิกเนี่เป็นวอรีไม่ได้เป็นพยานไม่ได้ดําเนินการดํารงตําแหน่งผู้นําในสังคมใดๆไม่ได้เป็นผู้นําในสังคมเป็นผู้วักษาคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นผู้ว่าเป็นเป็นผู้วักษาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้นําสังคมเป็นอิหมัามเป็นอิหมั่มตําแหน่งอย่างเงี้ยเป็นกรรมการไม่ได้ฟาซิก ร่ฟาซิกนี้มันกระทุบอาดัลลาอดัลลานี่ก็คือความความมีจริยธรรมการที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมนี้นะก็อาดาละคนนี้ไม่ละมานี่เป็นฟาซิกแล้วมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะและยิ่งมาอ่านอายะนี่อินเนคุ้มคุนตักัฟาซิกนี่อัลลอฮ์เรียกมูนาฟิกีนว่าเป็นฟาซิกนะ้คนนี้บอกว่าไม่ละมาแท้จริงแล้วสมัยท่านนบีเนี่ยคนนี้ไม่ละมานี่ ส่วนมากนี้ก็พกมุนาฟิกเดยว่าไม่ลนะหมาดน่ไม่ละหมาดที่มัสยิดแค่ไม่ละหมาดที่มัสยิดนี่ก็โดนข้อหาแล้วอบรเนย่ามรบอกว่ควาคนนี้ไม่ละหมาดซบที่มัสยิดเนี่ยเราก็จะเริ่มสงสัยเลนี่เป็นมุนาฟิกหรือเปล่านี่เป็นคือแต่ก่อนนู่นน่นนะบริบทอะไรบางอย่างเนี่ยเราเร า, เร า, เราจะเข้าใจอหรในบริบทสังคมกำลังร่างขึ้นมาใหมา่มันก็ต้องมีความเข่งขัด แต่พอที่หลังนี่มันมีเงื่อนไขอื่นๆที่มาอย่างเช่นปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามัสยิดหนึ่งไม่เห็นคนนั้นมาละหมาดเอ้ยมันเป็นมุนาไม่ใช่เพราะนี่มีมัสยิดเยอะนะเขาอาจจะไม่ถูมันมีบริบทอื่นๆแต่สมัยท่านนาบีเนี่ยมีมัสยิดเดียวนะมุนาฟิกไปสร้างมัสยิดแทงกันนบีเนี่ยยังดลลอลเลยอะเป็นเป็นมัสยิดดิรอรเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใชยย่ไงเดี๋ยวนี้ ใครจะสร้างมสัสยิดเนี่ยไม่พอจะอิหม่าไปสร้างมสัสยิดม่มีใครว่าแล้วพเป็นมสัสยิดดุรรัสั่งให้รื้อมสัสยิดนี่มันไม่มีหลักองแบบนี้มาบริบทมันมันมันจะไม่เหมือนกันต้องระวังในเรื่องในเรื่องการเปรียบเทียบระหว่างระว่า ง, ง ส, สมัยสัานนาบีถ้าเราจะใช้มาตรฐานสมัยสัานนาบีบริบทมันก็ต้องเหมือนกันบริบทแรงมันก็ต้องเหมือนกันอันอัลละม่าเดี๋ยวนี้เวลาถูกถามว่าคนนึงไม่ละมาศ โอกคนไม่ละหมาดยังไงอุลามาต้องระวังมากนะทําไมโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมุสลิมเนี่ยเราเรียกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ละหมาดเลยนะมันแท้ไม่มีอย่างน้อยอิละหมาดอีดอย่างน้อยเนี่ยละหมาดอีดฉะนั้นจะบอกว่าคนนี้ไม่ละหมาดเลยอุลามาต้จะบอกว่าไม่ละหมาดเลยอย่าเช่นหมายไหมหมายถึงละหมาดบ้างไหมละหมาด สุขเวลาอารมณ์ดีก็เป็นละหมาดองไปละหมาดบนสุขมีไหมไอ้แบบนี้น่อเยอะเลยส่วนมากอะที่ไม่ละหมาดก็เป็นแบบนี้แหละอย่างน้อยเนี่ยก็ละหมาดอีกโอ้ยไม่เปละหมาดอีกได้ไงทั้งครอบครัวปู่ย่าตายายคู่ไปกันหมดนี่กูไม่ไปเดี๋ยวน้ากีต้องไปพอถามแล้วเนี่ยอ๋อมีละหมาดละหมาดบ้างหมาดไม่ละหมาด ถ้าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ละหมาดเลยต้องเข้าใจานะลุมที่อุลมามะได้บอกว่าคนที่ไม่ละหมา ด, ดานี่การะไรหมายถึงว่าไม่ละหมาดเลยมีทศนะอุลมามะบางท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ละหมาดเพียงวักระตูเดียวจนออกเวลาอันนั้นตกศา ส, ะสะนาเลย เส้นทศน์นี้เนี่ยมีจริงในมัจจับฮัมบัลีเนี่ยมีจริงแต่คนที่เอาทศน์นี้มาใช้เนี่ยเขาต้องอ่านว่าในมัจจับฮัมบัลีเขาบอกว่าไม่ละหมาดหนึ่งวัดกระตูเลยออกด้านนองนอกละหมาดเนี่ยจะได้ตัดเส้นว่าเป็นกาเฟตเป็นมุตัดเนี่ยต้องเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาหนึ่งต้องถามว่าเชื่อไหมว่าละหมาดนี่เป็นวาจิบถ้าเขาบอกว่าไม่เชื่ออันนี้แน่นอนแล้ว อันนี้คือมุรตัดแน่นอนแต่เขาบอกเอาเชื่อเชื่อละหมาดเอาละหมาดสิเอาไม่ละหมาดละหมาดนะไม่ละหมาดเดี๋ยวประหารชีวิตนะไม่ละหมาดกูไม่ละหมาดแบบนี้เนี่ยให้โอกาสให้เราไม่ได้ละหมาดนีนะอันนี้เนี่ยตกศาสนาแต่ในการที่จะต่อรองเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีตําแหน่งกอะดีต้องมีตําแหน่งกอะดีแล้วต้องมีอํานาจในการเรียกมาสืบสวน พอเขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงว่าจะไว้ละหมาดเนี่ยถึงจะตัดสินว่าเป็นกาเฟสและประหารชีวิตุกระบวนการมันไม่ใช่แบบนี้ละหมาดกันออกนอกมัสยิดเองคนนี้เนี่ยโอ้นี่มกริบแล้วนี่อาซีดยังไม่ละหมาดนี่นะอาซีดยังไม่ละหมาดเนี่ยกาเฟสไม่ใช่คนละเรื่องต้องเข้าใจนะถ้าเราจะเอาในทัศนิยมในของอุลมาเนี่ยก็ต้องดูอุลามาเนี่ยเขาต้องเงื่อนไขอะไรบ้าง ไม่ใช่นั้นเท่ากับเราอุปโลกษะหนึ่งที่ไม่มีที่ไปที่มาเพราะในตัวบทหลักฐานไม่มีเลยนะว่าทิ้งละหมาดวัดละหมาดวกตัวเดียวนี่ถือว่าตกศาสนาไยไม่มีชัดๆแบบนี้ไม่มีนี่เป็นการตีความของบรรณาลมาเท่านั้นพี่น้องมีคำถามไหมใช่ เป็นคำพูดของผู้รู้คนหนึ่งชื่อ س ع ي ด رمضان อัลบูตีในหนังสือฟิคุสซีรอไซด์ ر م ض ا อับูตีเป็นผู้รู้ที่สนับสนุนบัะชาริปแล้วก็เขาก็ถูกถูกเลือกบุญวิชีพแกเสียชีวิตแล้วล่ะแกมีหนังสือชื่อฟิคุสซีรอหนังสือฟิคุสซีรอที่มีสองเล่มที่มีความสําคัญที่ที่วิเคราะห์ซีร็อกเชียบรอดเนี่ยนในเชิง เลือกชื่อเหมือนกันฟิกหุสีระฟิกหุสีรของมุัมมัดไซร์มดานอัลบูตินีเป็นคนซีเรียและของเชื่อโมฮัมหมัดอัลกอซาลีนี่เป็นคนอิบที่พูดประโยคเนี้เชเชฟบูตีนี่เขาบอกว่าท่านนบีเตรียมตัวไปทําสงครามอันนี้วิเคราะห์ช่วงสงครามบัดเตรียมตัวไปทําสงครามบัดจะเสมือนว่าอัลลอฮ์จะไม่ช่วยคือทําไม่เต็มที่เลย แต่พอขอดูอาเนี่นะขอดูอาเสเหมือนไม่ได้เตรียมอะไรเลยและนี่คือเวลาเราทำหน้าที่ตามสบับปัจจัยที่อัลลอได้สั่งไว้อย่างนี้นะเต็มที่เลยสมมติว่าอยากจะมีลูกมีลูกก็ต้องแต่งงานมีเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องแต่งงานต้องมีลูก อ้วแล้ก็ถ้ามีอุปสรรคในการมีลูกก็ต้องดูเรื่องสุขภาพต้องไปหาหมอต้องรับกินยาต้องรับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์นี่ต้องต้องปัจจัยแต่เวลาขอดูอานี่นะไอ้พวกเหล่านี้ทั้งหมดนี่นะดูเหมือนมันไม่มีค่าเลยมอบหมายต่ออัลลอฮ์เต็มที่สาบเนี่ยสาบหมายถึงว่าปัจจัยนะเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยอัลลอฮ์ก็สั่งให้เราได้ทํำฉะนั้น สงครามอูฮุดเนี him him. Said, oh, okay, kind of ่ยพอซบยขชนะสงครามบัตรจำนวนน้อยพอไปสงครามอูฮุดแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้แค่สงครามบตรเนี่ยเราแค่สอเนี่เอาเอาอยู่เอาอยู่พอสงครามอูุดเนี่ยเขาก็บอกโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกเานี้พันกว่าเนี่ยแต่กนู่นแ่สร้อเนี่ยังเอาอยู่เลยนี่พันกว่านี่เอาอยู่ละก็เลยระทาลงมาอัลดูุลหมัสตตตุมินกุว ให้เตรียมตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะช่วยนี่หมายถึงว่าดวมาลายกามาเดี๋มาลายกาจะมาช่วยอย่างเดียวสิ่นเดียวกันทางกลางที่ประชาอิสลามกําลังอ่อนแอเนี่ยก็มีมุสลิมหลายกลุ่มที่เขโอ้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่เป็นเรื่องของตัวฮันดต้องจัดการมันเหมือนที่อ布拉ฮ่เอาช้างมาบุกกาบาน แล้วก็ชาวมัก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็มอบหมายตอ่อเราอย่างเดียวเราจัดการแต่สภาพนี้มันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นตราบใดใเรายังมีความสามารถอะไรที่จะทำอะไรบ้างทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเพื่อให้อิสลามมีแข็งแกร่งเริ่มต้นที่ตัวเราเริ่มต้นกับคนที่เราดูแลครอบครัวของเราเริ่มต้นกับเพื่อนฝูงที่เรา มาคุ้นเคยกันช่วยคุยกันได้อะไรได้เนี่ยให้สร้างความแข็งแกร่งกับอิสลามในสังคมมุสลิมเนี่ยถ้าทําได้นะถือว่าเป็นวาจิบแล้วที่ต้องทําถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิฮัตแล้วเพราะในเมื่อจิฮัตขั้นสูงเนี่ยทําไม่ได้ขั้นถัดมายังทําไม่ได้ถัดมาทําไม่ได้ถัดมาดูที่ว่าอะไรที่เราทําได้มันจะเป็นสิ่งทดแทนจิฮัตขั้นสูงที่เราทําไม่ได้